ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Two t o โทนท a l ์กดำเนินรายการโดยพลอยสีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะดิฉันพลอยศีสโรค่ะสวัสดีครับสำหรับคุณเกตครับค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการทูโทนท็อกค่ะจริงๆแล้วเราไม่ควรจะทักว่าสวัสดีต้องอะไรสินเจยุยซินนี่หักชาย <laughs> <laughs> อย่าจีนเข้ามาให้คนอีสานพูดจี น, น <laughs> ดีนะไดะหน้าฉันได้อย่างดิฉันนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นจีนจีนนะก็พูดไม่ได้แต่สกันไหมไม่ได้ <laughs> อันนี้จะเป็นคําที่เราได้ยินกันประจำเนาะอช่วงตรุษจีนค่ะแบบนะตอนนี้เช้าเนี่ยกําลังเป็นวันเที่ยวใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นกําลังจะทัวร์แหละแล้วคุณพลอยต้องไปเที่ยวไหมเนี่ยอืที่บ้านมีไหมที่ว่าที่บ้านเนี่ยเอาเอ า, เอาเรียนตามตรงเลยนะคะคุณตาแท้ๆเลยเนี่ยเรียกว่าก่งอะ่ะเพราะฉะนั้นจีนแบบคุณตาเนี่ยมาด้วยเรือสมเภลอ่ะทุก ขากรับขากลับขาอาากรับก็จากไปอย่างสงบบนแผ่นดินไใจขะเข้ามาทางภาคใต้เข้ามาทางภาคใต้ว่าพบรักกับคุณยายเนี่ยซึ่งคุณยายนั้นไทยแท้มากๆแบบตาคมคุณยายคุณตาเลยเหรอใช่คุณตาก็เป็นคนรื้อราวจีนนี่คุณคุณทั้งคุณตาและคุณยายก็คือพูดอุยยทัักกนงไ่พูดภาษาพูด โก่งก็พูดถ้าจะพูดใต้ได้แหละก่งเป็นจีนใต้เป็นใช่ไม่ใช่อยู่อีนี่อะไรเนี่ยโวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะงงว่าคือเวลาเราพูดถึงคนที่อยู่มาจากภาคใต้มันจะนึกถึงแบบผิวคล้ำใช่ไหมตาคมๆแต่ว่าแม่ดิฉันเนี่ยคือเป็นหมวยงทุกคนก็จะเอ้าวดิฉันก็จะได้มันทางแม่อีกนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะดูเป็นหมวยๆหน่อยก็แต่ทางปัตตานีอะไรทั้งนี้เขาก็ขาวนะ เออปัตตานีลุดโซนไปทางแบบอสามจังหวัดใต้ตรงชายแดนแต่ของดิฉันมาตรงนครจังหวัดนครศรีธรรมราชนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอ่าเป็นทนทนที่แต่ว่าพี่น้องคุณแม่เนี่ยก็จะมีแบบมีทั้งที่ดูเป็นจีนแล้วก็ดูเป็นไทยอ่ะสลับกันไปมาเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นลูกครึ่งแต่ยมีธรรเนียมบ้างไหมธรรเนียมที่บ้าน คือมันเบนต์มาหลายเจนอย่างเงี้ยเหรอไ ม, ไม่มีคุณแม่ <c oughs> ก็ไม่ได้ทำํำไงคุณแม่ก็เป็นเหมือนกับยุคเบบี้บูมเมอร์ที่แบบหอบกระเป๋ามาเรียนกรุงเทพนึกออกไหมแล้วก็มาจบการศึกษาในเมืองกรุง<อ>ทํางานเมืองกรุงมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าเราก็ไม่ได้ใช้ใช้เรื่ออะไรไม่ได้มีประเพณีว่าคุณน้าทำที่แบบที่บ้านที่บ้านที่ติดมาด้วยแล้วคุณแม่ก็แบบ เป็นคนหัวค่อนข้างสมัยใหม่เรียนเรียนบ้นจะสะดวกอะไรย่างี้ใช่ไหมใช่เรียนเลิกสะดวกใช่แต่แต่ว่าแต่ทุกทวันนี้ก็คุณไม่จะกลับไปทําบุญให้คุณให้คุณตาคุณยายอยู่ผมก็จริงๆที่บ้านเนี่ยก็จะมีหัวหมูทุกปีหัวหมูที่เขาเอามาให้เธอไปได้ว่ายเองใช่ไหมจิ้มกับข้าวเหนียวเนี่ยบ้าบอ ก็ไม่ได้เป็นเชื้อจีนอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าสืบสายไปก็เหมือนว่าจะมีเหมือนกันในรุ่นรุ่นที่ลึกๆเลยอ่ะนั่นแหละความเป็นจีนก็เลยไม่ได้โผบนบนยีนของผมเลยดูตรงไหนก็ไม่มีก็เลยไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้ไม่เป็นไรว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงวันตรุษจีนก็เลยอยากจะเอาข้อมูลตรุษจีนมาคุยกันสหน่อยเราสู่กันฟังนี่ว่าจะไทยไทยแท้ไทย จีนไทยอังกฤษไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อยากจะเบอกเล่ากันว่าเออมันมีเรื่องอย่างนี้อยู่นะไม่รู้สิว่าคนจีนสมัยใหม่หรือว่าเด็กสมัยใหม่ที่แบบมีเชื้อจีนก็ยังก็ยังนับถืออะไรกันแบบเดิมอยู่ที่ปากนี่ผมไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าไปเจอข้อมูลของอ่าพอดีว่าถ้าย้อนความไปเนี่ยตอนช่วงปีใหม่เราก็พูดเรื่องของวันปีใหม่ไปนะครับก็เลยอยากให้มันเป็นซีรีส์ต่อเนื่องว่าตัวจีนก็ ย้อนความนิดหนึ่งว่าแล้ววันวันปีใหม่ของจีนเขาควรต้องทําอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ที่เราเคยพูดกันไปือว่าวันปีใหม่ส่วนใหญ่มันจะเป็นวันเฉลิมฉลองวันแรกของฤดูใบไม้ผลค่ะก็คือเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งใหม่ๆหม่บอกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเดูแล้วมักําลังเปลี่ยนเลือดดูเราจะมีความสดใสเข้ามาในชีวิตหลัมานนี่นะครับเขาก็เลยเลือกวันนี้งานขึ้นมา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันอันนี้ข้อมูลจากทางเว็บไซต์สนุบ .com นะครับข้อมูลบอกว่าตรุจจีนของของจีนเนี่ยเขาจัดกัน15วันจริงๆแล้วยาวยืดเลยครึ่งเดือนึอนไม่ต้องทําอะไรกันหรอกถ้าเราเอาอย่างตรุจจีนเพียวๆทํางานได้วันเนี้ยขอไปตรุษจีนสิห้าวัน <laughs> มันก็น่าจะคล้ายๆกับเทศกาลคริสต์มาสอะไรอย่างงี้<ไ>ที่เขาแบบหยุดกันยาวๆอันนั้นเกาต้องมีตั้งแต่อะไรนะ คริสต์มาสแล้วก็ยาวไปปีใหม่อะไรแบบนั้นพอดีเป็นโกลเด้นวีคอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เนี่ยถือว่าเป็นดับเบิลโกลเด้นวีซึ่งถ้าเราเอาอย่างเขาเนี่ยก็ไปหางานใหม่เลยเรียกว่าเป็นการเป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตไปได้เหมือนกันคือไปหางานใหม่นะจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ตามที่เราได้ตามที่หยุดอ่ะไปอย่างสิบห้าวันก็คงต้องหารปปรองแพทย์อรับรองหน่อยว่าเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่แนะนําไม่ดีเลยน่าจะป่วยเพราะกิน ขาหม้หมูเยอะอะไรเงี้ยแล้วแต่กินขาแล <c oughs> ้วกินหมูเราแต่ตจะเจอ <c oughs> อย่าไปเรียกเยอะนาทีนี้ <c oughs> อเขาบอกว่ า, าช่วงก่อนคืนก่อนวันปีใหม่จีนเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นวันสุดท้ายของปีเนี่ยจะเป็นวันที่คือครืน้นใครที่ทํางานห่างจากบ้านเกิดก็จะต้องหาวิธีการกลับบ้านเพราะงั้นในช่วงนี้เราจะเห็นข่าวที่เมืองจีนค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของการกลับบ้านคมนาคมที่หนาแน่นจะเห็นภาพ ตามสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์เห็นภาพตาม อ, อินเทอร์เน็ตที่แบบเป็นรถไป อ, อกันถนนแบบประมาณทักสิบสองเลนน่ะก็ยังติดอะ่ะเพราะว่าคนเขาเยอะจริงจริงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผมฟังข่าวช่วงนี้เขาบอกว่าทางการจรีนเขาก็พัฒนาระบบการจรัดการเรื่องของขนส่งหรือว่าทางด่วนนี้เพิ่มช่องทางอีกสี่สิบกว่าช่อง อ, อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้รองรับการการเดินทางให้ได้ร้อนจะมาบ้านเรา ปีใหม่เราก็จะเห็นทำทางทำกันเลยะช่วงปีใหม่เลยใช่มิตภาพมีอยู่แปดถึงสิบเลนทำทางไปสี่ใช้ได้จริงๆสบายใช้ได้จริงไม่ใช่สี่เลนด้วยนะอีกจอดแบบจอดรถติดอยู่ีจอดรถติดกับจอดรถเสียสองสามเลนก็แล้วแต่แล้วแต่ก็เป็นความสุดของบ้านเรานะครับก็อันนี้ก็เทียบเคียงกันแล้วกันว่าเออถ้าถ้า เขารู้ว่ามันต้องมีการจราจรยังไงอะไรยังไงเขาก็พยายามจัดการแก้ปัญหายัางไงอะไรนี้นะครับเพราะงั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ <c oughs> เราอิงก็ควรจะเรียนรู้ไปด้วย อ, อประวัติตุนจีนหรือวันปีใหม่เขาบอกว่าฉลองกันมาแล้วเป็นพศเป็นศตวรรษคหรื<ฯ>ออาจจะก็คือผมว่ามากกว่านะมากกว่าร<ฯ>้อยปีไปแล้วนะครับก็นานอย่างที่บอกไปว่าฉลองกันสิบห้าวันอาามันตุน จ, จีนแล้วประเพณีต่างๆก็จะผูกไว้กับเรื่องความเชื่อนะครับ อย่างเช่นอาหารแต่ละประเภทก็จะมีความหมายคนไทยกับคนจีนเชื่อในเรื่องความหมายอาหารคล้ายๆกันเนาะค่ะอย่างบ้านเราอาหารมงคลมีอะไรบ้างเคยกินไหมจิดว่ามงคลกินทุกอย่างด้วยฟูไหมด้วยฟูด้วยฟูใช่ไหมทาไมด้วยฟูถึงมงคลอะอาจะได้แบบฟูกิจการฟูหัวฟูเลยทํางานหัวฟูกันก็ อย่างเช่นอทองหยิบทอ ง, อทองห อ, อง่าทองนุ่นทองนี่เออชื่อมันก็จะเป็นทองทองอะไรเงี้ยนะครับแม้แต่ดอกไม้เนี่ยทำไมทำไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่เบรกสักหน่อะทําไ ม, ไมดอกเงินดอกดอกไม้ดอกดอกแดงอ่าไปเรื่อยๆเบื่อเอ่อขนมจีบหรือว่าแบบว่าขนมจีบนี่ขนมมงคลเหรอก็ก็จะมีไส้ที่เป็นมงคลอย่างเช่นเขาใส่กุ้งงเงี้ยนะครับ ขนมจีบไส้กุ้งอกุ้งเขาบอกว่าเป็นความหมายเกี่ยวกับเรื่องความรุ่งเรืองและความสุขเปาฮื้อเปาฮื้อนี่คืออะไรหอยเห็ดเปาฮื้อแห้งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีนะครับสลัดปลาสดจะนํามาซึ่งโชคดีแล้วก็มีจี้ใช่นี่ออกเสียงถูกด้วยเก่งมากอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแต่เพรว่าเป็นสาหร่ายที่คล้ายๆกับผมเขาเรียกเป็นผมเทวดาอผมเทวดามีไหมไม่ทราบ กินก็ไปแล้วจะดีอย่างนี้เออก็เหมือนกับว่าเป็นน่าเชื่อกันว่าว่ากินแล้วจะนำมาซึ่งความร่ำรวยค่ะแล้วก็มีขนมต้มที่ชื่อว่าเจียวเสยนี้มว่พูดจริงๆเลยน่าจะเป็นอะไรเจีย่สงสาคนผู้ฟังเจียวี่อะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับมาถึงว่าเป็นคำวยพรของบรรพบชน คราวนี้เสื้อผ้าบันตุจีนเจนเป็นใส่สีอะไรสีแดงุดยอดไปสอบถามมาแล้วนะจะต้องเป็นแดงชุดใหม่ด้วยหมายถึงว่าต้องไปไม่ใช่แัดใหม่เรย <laughs> ต้องเป็นของใหม่อไม่ใช่แบบเป็นรุ่สองไม่ใ ช, ออไใช่ไม่ใช่แบบใส่า ป, ปีที่แล้วลยอะไรเงี้ยเหรอซ้ํ า, าก็ไม่ได้หรือไม่น่าจะได้เอ า, าแล้วใส่แล้วทำไงชุดใหม่ชุดใหม่เลยสีแดงนี่ก็ไปซื้อเลยเนี่ยเออแล้วปีที่แล้วทำไงก็ไม่ทราบสิคะกูเรียบร้อยเลยนะ มีมีมีแล้วเหรอปกติร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นคนตาใส่สีแดงมีอยู่ตัวหนึ่งอ่า <laughs> เดี๋ยวเราจะรอนดูใส่จนซีแล้ว <laughs> <laughs> ก็บอกว่าเสื้อผ้าสีแดงเป็นเสื้อผ่ามงคลนะครับเป็นใส่เพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปนะฮะแล้วก็ถ้าใ ส, ส่สีขาวสีดำเนี่ยไม่ได้เลยออเหรอเขาบอกว่าเป็นเสื้อผ้าที่เอาไว้สำหรับใส่ไว้ทุกค่ะนะแล้วก็ ในคืนวันก่อนจะตรุจีนเนี่ยเขาก็จะมาอยู่รวมกันก็หากิจกรรมทํากันเช่นเล่นเกมเล่นไพ่เล่นดูทีวีวีกันไปจนเช้านะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาปฏิบัติกันแล้วก็ในวันเนี้ยจะไม่โกรธไม่ริษยาเออต้องยิ้มแฉ่งใส่กันไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีไม่พูดจาที่ไม่ดีเพื่อสื่อิดวงคนเพราะว่าเราจะเห็นว่าจะมีเด็กเรากลุ่มหนึ่งที่มันพูดจาหยาบคายมาทั้งปีแหละ เดียววันนี้นเดียววันนี้วันหนึ่งอย่างน้อยก็มีความสุขหนึ่งวันอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ t ูท Ton t ค่ะครับวันนี้เราจะไม่ลิษยาไม่พูดจะปากถางเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กันและกันจะไม่ส่อเสียดเหยียบฉันกันนะครับคุณตาวันนี้ดูดีจังเลยป้าบอไมยดูฝืนฝืนอ่ะ นอกจากอาหารที่ว่าไปเม่อกี้เม่อกี้เมื่อียังมีอาหารอื่นๆที่มีความหมายดีๆนะครับแล้วก็เป็นมงคลของคนจีนหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่ใช้นิยมใช้กันในช่วงตรุษจีนอย่างเช่นเม็ดบัวเม็ดบัวนี่หมายถึงการมีลูกหลานที่เป็นชายี่งเป็นค่านิยมของของจีนจีนอยู่เขายังเชื่อว่าถ้ามีลูกหลานก็อยากได้ลูกชายเพื่อสืบสกุลประมาณนี้นะครับเการัดโอ้ยเสียงไปไหนแล้วรัดรัดหาย <c oughs> <c oughs> ขอไปเกาเกาลัดมีความหมายถึงเงินนี่ถ้ากินเกาลัดแล้วจะรวยสารายดำอันนี้เขาบอกว่าคำออกเสียงคล้ายกับความร่ำรวยไม่รู้กันว่าภาษาจีนว่าจีนสารายคำคำว่ารวยคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ภาจ๊ะไม่ใช่เฮง รวย ร, วยรวยไม่ใช่สวยคือไม่ใช่เดี๋ยวเดย <c oughs> พ, ย า, พยายามพยายามเยอมา <c oughs> เป็นสาหลายแล้กันอะ <c oughs> เหลือว่าเป็นสาหลายดำนะก็จะรวยเต้าหู้หมักที่ทําจากถั่วแห้งนะครับเป็นคำเขาบอกว่าคําออกเสียงเนี่ยจะคล้ายกับคําว่าเต็มไปด้วยความร่ํารวยและความสุขค <c oughs> ่ะหน่อไม้คำเออนี่เหมือนกันความเสียงที่ออกเสียงเนี่ยจะคล้ายคกับคําว่าการเป็นการอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุขค่ะนะครับหรือว่าเต้าหู้ทําจากถั่ว จะไม่นำมารวมกับอาหารในวันนี้เนื่องจากสีขาวซึ่งเป็นสีแห่งโชคร้ายอันนี้ก็อมองถึงตรง น, นั้นเลยนะสีก็จะไม่กินสีขาวสีดําอะไรอย่างนี้จะกินไปนด้วยเป็นสีแดงมะเขือเทศไม่น่าใช้สตรอเบอร์รี่จริงๆก็เป็นทองทองอะไรอ่าอทองทองแดงๆเขาก็กินกันได้กินปลาทั้งตัวก็เป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบูรณ์นะครับกินไก่เพื่อความเจริญก้าวหน้าไก่นั้นยังต้องมีหัวด้วยนะ เอาที่ว่ามาทั้งหัวอ่าถ้วถ้าไก่ไม่มีหัวเนี่ยก็ไม่กินอ๋อทำไมต้องกินหัวไก่ด้วยไม่รู้นะเพราะว่ายาจุกกระยุงหัวไก่ไม่เกี่ยว <c oughs> ผู้พิลเลอร์ <c oughs> คือบอกคงค <c oughs> งมองว่าไก่มีหัวเพื่อมองไปข้างหน้ามั้งอมองว่ า, าเออเป็นเรื่องการเจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยมองการไกลอะไรอย่างเงี้ยโผล่มาลูกบานซัดหัวก่อนเลยงับคอเลยเอ่อต้องมีหัวและหางด้วยนะแล้วก็เท้าด้วยเป็นหางก็คงไม่ใช่ว่ามาทั้งกวางนะ ยกมาทั้งตัวเลยดีกว่านทั้งตัวเรอว่าง pues ่ายเห็นเป็นเป็นไก่ทั้งตัวเอาทกันนะครับเพิ่มการเสดงหเห็นความสมบูรณ์มีเส้นหมี่ไม่ควรตัดด้วยนะครับเพื่อเชื่อว่าหมายถึงชีวิตที่ยืนยาวนเพราะนั้นก็จะกินหมี่ยาวเรเรื่อยลไม่หยุดดูดไปเรื่อยเรื่อยดูดกันแบบเอาให้ออกอากาศได้ไหมเนี่ยสุดหายใจกันไปเลย มีความเชื่อโชคลางด้วยนะครับบอกว่าก็จะไม่ร้องไห้นะบอกว่าถ้าร้องไห้ปีใหม่คุณจะเสียใจไปตลอดปีงั้นปีใหม่เราจะไม่ร้องไห้นอกจากจะไม่พูดคําไม่ดีก็จะไม่ร้องไห้ด้วยแล้วดีใจแล้วร้องไห้ได้ไหมไม่ได้สิเดีกก็ต้องหัวเราะบังเอิญได้ท้องเนี่ยก็ต้องกัดฟันเลยอยากให้คุณผู้ฟังเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการของดิฉันได้ไม่ยังแบบพวกนางงามแี่ได้รางวัลอะ อ๋อก็คงไม่จัดวันนี้<อ> ห, <า>หรอกรองห้ไมได้หไหยต้องนั่งหัวเราะอ่ะอ่ะอ่อ่เยโอ้ยแย่แล้วมีเอ่อเขาบอกว่าบุคคลแรกที่พบและคําพูดแรกที่ได้ยินเนี่ยจะเหมือนกับเป็นความหมายที่มันจะเชื่อมโยงกับเราทั้งปีเลยงั้นเดี๋ยวจเจอคุณตาวันปีใหม่มงคนแน่นอนมั่นใจขอให้ได้เมียผมอัดเสียงตัวเองไว้เลยแล้วก็กองกูเสียงเลยได้เมียได้เมียได้เมียอย่างนี้กองกูขึ้นไป อะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่ามีมีข้อความเชื่อแปลกๆอย่างเช่นการเข้าไปหาใครในห้องนอยวันตรุจีนถือเป็นโชคร้าย <c oughs> <ต>ฮาว่เขาเขา <c oughs> ขอมองว่าเหมือนกับว่าดูไม่พร้อมอ่ะคือในวันตรุจีนทุกคนต้องมารวมกันท่้องรับแขกเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ว่านั่งป่วยอยู่ในห้องรับแขกก็ไม่ได้ต้องแบบแต่งหน้าสดใสอะไรอย่างงี้ยไม่ใช้มีดหรือกรรไกรในวันตรุจีนไม่ใช่ของมีคมเพราะว่าเชื่อว่าจะเป็นการตัดโชคดี Oh. มีเรื่องของการไม่ไม่สระผมด้วยนะอาบสระผ ม, ผมแต่นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของว่าคนจีนเขาเมืองเขาอาจจะหนาว oh. <ต>ในคนไปห่วงช่วงเดือนม ก, กราก็ยังหนาวก็ไม่สิม ก, กรากราุกร่งค่ะก็ยังหนาวอยู่ยังหนาอยู่อาจจะไปไปห่วงอาบน้ํสาสระผมนานแล้วก็ป่วยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ไม่รู้นะอ น, นี่คือเดาเองที่เป็นความไม่รู้อันนี้เดาลว้วนๆมโนล้วนๆเลยแต่คิดว่าคิดว่า ก็มีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องการให้อังเปาอะไรเงี้ยค่ะนะครับก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่อันนี้เขามอกว่าผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาและมีรายได้แล้วนะแต่ว่าถ้าที่เคยได้ยินจากเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทํางานแล้วไม่ได้วงเล็บว่าแต่งงานเขาบอกว่าคนที่เพิ่มเริ่มมีรายได้แล้วก็ต้องให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นผู้ที่แต่งผ่านการแต่งงานแล้วแล้วมี มีงานทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้ซองแดงกับเด็กที่อายุต่ำกว่าที่ยังไม่ทำงานงี้คุณจาก็สบายเลยสิผ่ำผ้าม่ำาไม่ต้องให้ใครเลยไม่มีลูกหลานอยังไม่ได้แต่งงานด้วยย้าไอ้ยี่หงเล็บเยี้าเมียจ๋าถ้าได้ยินแล้วอ่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้ขอยติดต่อมาด้วยหลังไหมมาหน่อยหาไม่เจองจริง เวออ่ากันไปนะครับจริงๆมีลำดับวันที่อีกมากมายนะ15วันสองสุดจีนจะทำอะไรอย่างไรบ้างอันนี้ลองเข้าไปอ่านดูของทางทางเว็บสนุก .com แล้วกันแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเอามาพูดก็คือเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนตอนเปิดรายการเรามีคำาอเปิล้อนค่ะ ที่เป็นคำมงคลันตุกจีนนะอย่างเช่นครับว่าซินเจียยู่อี่ซินนี่ฮวกใช่มีรู้ไมแปลว่าอะไรไม่ใช่หรือก็เป็นจริงแบบึกว่าสวัสดีปีใหม่ริมีความสุขอะไรงี้ยเฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงมีความรู้ไม่มีเดาล้วนแปลว่าปีใหม่ขอให้สุขอ่ะขอให้ทุกอย่างสมหวังปีใหม่ขอให้ร่ำรวยนะครับก็เป็นก็เป็นคำวยพรที่เราน่าจะได้ยินกันเป็น พื้นฐานค่ะนะครับจริงๆมีคำวอยพออื่นๆนะที่อันนี้กันอยากจะให้ไปใช้ใช่ไหมเราเปลี่ยนดูบ้างจะได้มีคำอื่นให้เราให้เราเลือกใช้แต่เดี๋ยวอ่านถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะเดี๋ยวให้คุณตาเป็นเวอร์ชันภาษาจีนสวัสดีฉันจะแปลเป็นไทยให้นี่เรียนมาเลยจีนไหหลําครับผมเรียนมาจากร้านค่ำไก่ไหหลําซินเจิ้งรู้อีซินเหนียนฝาชัย ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวังขอปีใหม่ขอให้ร่ำรวยอีกที้ยลบากเนาะไม่ได้ละพยายามหน่อยนะครับพยายามฟังให้มันถูกแล้วกันสินเจิ้งหรุยสินเนียนฝาฉัยนี่เดาว่าเขาว่าสินน่าจะหมายถึงแปลว่าปีใหม่เนาะเพราะมันมีอยู่ทุกอันเลยสินก็ปีปีใหม่มาก่อนเนาะมีไหมอ่ามีคำนี้ง่ายง่าไม่แปลกันย้อนจังหวะทไม ผู้สั้นเลยแต่แปลยากมากเลยเจ้าไฉจิ้นเป้าไม่ใช่เจ้า อ, อ๋อต้นตย้อนความขออนุญาตลบคําว่าเจ้านะครับเป็นเจ้าเจ้าเจ้าไฉจิ้นเป้าเางินทองไหลมาเทมาทรัพย์สมบัติเข้าบ้านนี่ง่ายมากเลยผู้สั้นเลยเจ้าไฉจิ้นเป้าเจ้าไฉจิ้นเป้าง่ายๆแต่ว่าออกเสียงเมื่อกี้ยังไม่ถูกเลยเออีกคำหนึงฟู่ฟู่ลูกโว่ ขอก็จะขึ้นฟู่ลู่สวงฉวนสิริมงคลเงินทองอำนาจวาสนาขออนุญาตทวนอีกครั้งนะครับฟู่ลู่สวงฉวนฟู่ลู่สวงฉวนสวงแล้วจะสวงสวงฉวนท่านฟังที่เป็นจีนเราไม่ได้มาล้อเลียนท่นนะต้องขออภัยถ้าเกิดออกเสียงไม่ถูกนี่พยายามจะออกเสียงจริงๆนะฟู่ลู่สวงฉวนนะครับก็เป็นคำวยพรที่สั้นๆดีแล้วก็ น่าจะใช้งานได้อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงอ่านไหนว่าซิจูนี่เจียนคังเอเสียงไม่ยากจูนี่เจียนคังก็นอกจากสิงเจียสิ่งนี้หอใช่แล้วก็จูนี่เจียนคังขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเบิ้ลต่อท้ายไปค่ะนะครับหรือใครจะเบิได้ยาวกวันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็ดีอเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็อายุขอให้อายุยืนยาวจูนีชางจูจูจูนีชางโ อ่มีจู้อีกันหนึ่งขอให้คุณประสบความสำเร็จจู่นีซุนลี่อ่าจูนีซุนลี่นี่ชาภาไทยนี่แล่นขึ้นในหัวเลยนะชังไม่ได้จู่จู่จู่นีชงส์เดยวาวอก็จูนีซุนลี่ขอให้คุณประสบความสาเร็จนี่ยอดมากนี่ก็มีเป็นคาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับที่เอามาให้ลองเอาไปใช้งานกันถ้าฟังแล้วเอ๊ะ มันออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนเดิมเข้าไปดูในส่วนของเขามี เ, าเขามีตัวตัวอย่างของการกล่าวคำบวยพอร์ตต่างๆนานา น, นะครับลองไปใช้งานดูในช่วงวันตรุกจีนนี้ใช่อย่างนั้นก็เราสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวให้คุณตาสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังเ<อ><ม>เป็นพร้อมกันดีกว่าพร้อมกันดีกว่าวางทูทีซงเชียร์ยูอีิงนีก็ปีใหม่นี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะมีความสุขสมหวัง ขอนะให้ร่ำรวยร่ำรวยด้วยแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ FM 8 9 5สิบมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th